เรียนต่อไปนะครัเมื่อกี้ได้พูดถึงที่มาหรือว่าแดนเกิดของโโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสคือพวกความบีคันความคับแค้นในใจความวิตกกังวลอะไรของท่านทั้งหลายเนี่ยว่ามันมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าพวกปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรมนั้น ไม่ได้ฟังคานั้นเขาไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในสัพุริสธรรมพอไม่ฉลาดไม่รู้ไม่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงก็เห็นผิดยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวเราจริง โดยความเป็นอัตตาอัตตาแปลว่าตัวเราจริงๆนี่เรียกว่าอัตตาตัวเราจริงๆตัวเราที่มันเพียงแท้ถาวรมันสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้มันสามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันสามารถบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สามารถบังคับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อันนี้เขเรียกว่าอัตตา เรีอว่าตัวตนนะแต่จริงๆตัวตนนั้นมันไม่มีจริงคาว่าตัวตนโดยที่แท้แล้วมันก็เป็นแค่ความเห็นผิดเป็นแค่สังขารที่ตรุงแต่งขึ้นเป็นครั้งแต่ทีนี้ที่มันเกิดอัตราขึ้นมาก็เพราะว่าเราไปหลงเข้าใจผิดมันเองนะหลงเข้าใจผิดพอหลงเข้าใจผิดก็คิดว่ามันสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้มันเป็นของคงทน อย่างเวลาเรารู้สึกว่ามีตัวเราจริงเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราเป็นใหญ่มากในโลกนี้เราครับโลกแล้วถ้าไม่มีเราเขาจะอยู่ไม่ได้อะไรทํานอ่าง น, งนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันตรงข้ามปกติไม่มีเราเขาสบายกว่าก็ ค, าคือถ้าไม่มีเราในโลกนี้โลกมันรู้สึกจะหนาขึ้นอิดอะไรทํานองนั้นนแหละแต่เวลามีรู้สึกมีตัวเราแล้วมันจะคิดตรงข้ามจะรู้สึกว่าเราใหญ่เราโต ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องมาแท้จริงความรู้สึกว่าเป็นเราที่เกิดขึ้นนี้อิงอาศัยสิ่งต่างๆเกิดอิงอาศัยบ้านอิงอาศัยรถยนต์อิงอาศัยการทํางานต่างๆเกิดขึ้นเป็นครัง้งครั้งถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นกระ บ, บวนการปฏิจจสมุปบาทของความรู้สึกของความคิดที่มันเกิดเป็นคลัง้งครั้งพวกนี้ก็จะเป็นของเล็กน้อยที่แสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้ากุศุชนที่ไม่ได้สดับไม่รู้วิธีการของพระอริยเจ้าพวกนี้เขาก็จะยึด ความเห็นพวกนี้แหละที่เกิดเป็นทัง้งๆเนี่ยไปยึดจับเอาเลยติดข้องขึ้นมานะพอ ย, ยึดติดข้องขึ้นมาเราก็ดูโตใหญ่มากพอใหญ่มากทีนี้มันก็มีปัญหาขึ้นมาทีหลังโศกะปริเทวะความคับแค้นใจอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะสร้างตัวมันขึ้นมาเองแต่ที่จริงมันไม่มีไม่มีแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับแต่เราเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงมันคงทนมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ฉะนั้นอัดตาเวลามันเกิดขึ้นมันจะสังเกตนะมันจะตัวแข็งแข็งตัวทื่อๆแล้วก็ตัวที่มันไม่ฟังใครลนะ่ะมันจะเอาแต่ถูกอย่างเดียวมันจะเอาแต่ชนะคนอื่นมันจะเอาแต่ให้เหตุผลครอบงำคนอื่นต้องการครอบครองอะไรต่างๆนะต้องการมีของให้เยอะเข้าไว้เพื่อให้รู้สึกว่ามันยังอยู่ได้อะไรพวกนี้งั้นเราทั้งหลายก็ลองสังเกต ด, ดูในชีวิตเรานะโดยส่วนใหญ่ก็พากันทาเพื่อมันนี่แหละ ทำเพื่ออันต า, าตัวตนแท้ที่จริงมันไม่มีมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครัง้งครั้งนั่นเองรู้สึกว่าเราดีก็เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งสักหน่อยก็รู้สึกเราไม่ดีแหละเราถูกก็เกิดขึ้นเป็นครัง้งครั้งสักหน่อยก็รู้สึกว่าเราผิดนหะมันเป็นความคิดมันเป็นสังขารที่ปลุกขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ปลุกขึ้นมาเป็นครัง้งครั้งจากการกระทบอารมณ์ทีนี้พอเราไม่รู้ไม่เห็นไตรละนะักเนี่ยเราก็ไปจับมันให้มันเป็นของค ง, งทนเป็นของเครียดแพ้ถาวร ในเมื่อของมันไม่เที่ยงเราพยายามจะรักษาให้มันเที่ยงเป็นไงเครียดของบังคับไม่ได้เราต้องการจะบังคับให้มันได้เป็นไงเครียดสมควรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็เราไปผิดมันเองอะนะฉะนั้นในนี้เป็นความเข้าใจผิดเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อมันมีมิจฉาทิฏฐิการปฏิบัติของเราทางกายทางวาจาทางใจก็กลายเป็นมิจฉาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติผิดปฏิบัติไปแล้วทําให้ตัวเองเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม นะทั้งน ท, ที่ใจนี่มันสบายอยู่ยังไม่ได้กระทบอารมณ์อะไรนี่มันไม่มีอะไรพอกระทบอารมณ์แล้วทำให้ใจหนักขึ้นกว่าเดิมเจอคนที่เราชอบก็กลายเป็นยึดเขานะใจหนักกว่าเดิมเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็ไปผลักไสเขาใจก็หนักกว่าเดิมทั้งๆ ท, ที่ไม่กระทบอารมณ์นี่มันมันก็อยู่ของมันดีๆอยู่สบายๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันเกิดเป็นครั้งครั้ง เห็นหเกิดตอนที่เรากระทบอารมณ์ตอนที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนที่เราเอาเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆที่เรามีที่คิดว่ามีทั้งหลายมาครอบงำตนเองมันก็เกิดตัวเราขึ้นเกิดอัตตาขึ้นมานะครับฉนันอัตตานี้โดยความจริงไม่มีจริงนะอัตตาถ้าจะพูดถึงมันก็เป็นเพียงสังขารที่มันเกิดเป็นกำลังทีนี้เราเข้าใจผิดไปยึดว่ามันเป็นจริง การยึดว่าขันห้าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคว่าเป็นตัวเราจริงนี่เป็นความเห็นผิดในภาษาบาลีท่านเรียกว่าสักกายทิจมียี่สิบอย่างด้วยกันที่เราเรียนในสูตรนี้จะครบหมดเลยพวกที่เป็นบุตุชนนี้จะมีครบทุกอันนะจงกว่าจะเป็นพระโสดาบันจึงจะไม่มีเกิดขึ้นหน่ อ, อีกนะครับถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนี้จะมีครบทุกอัน ถ้าคนไม่ได้สดับเลยก็ยึดอย่างแม้กระทั่งรูปก็ยังยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดของเราเป็นตัวเป็นตนผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊รูปนี่มันไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ชักไม่ใช่ตัวเราความคิดนึกปรุงแต่งก็ชักไม่ใช่ตัวเราแต่จิตคนที่รู้ที่ดูอยู่ก็ยังเป็นตัวเราอยู่ดีฉะนั้นต้องเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราด้วยแท้จริงมันไม่มีตัวเราสักตัวแม้แต่ตัวดูตัวรู้ตัวศึกษาอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งท่นั้นเองนะตัวรู้มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่ได้รู้ตลอดสัไหน่สักหน่อยมันก็เป็นตัวคิดตัวหลงไปแล้วอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าสกายคติยี20ประการนะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเมื่อกี้เรียนไปแล้วสี่อันคือเรียนเรื่องรูปนะเรียนเรื่องรูปรูปังอัตโตเห็นว่ารูปเป็นตัวเป็นตนไีพูดไปแล้วอันที่สองรูปวันตังอัตานัง เห็นตนว่ามีรูปตนคือตัวเรามันมีรูปแขนนี่เป็นรูปประกอบกันขึ้นเรียกว่าแขนเรามีแขนเรามีแขนยาวขายาวเรามีคอสวยไม่สวยอะไรเนะียอันนี้เรียกว่าเรามีรูปเป็นความรู้สึกเท่านั้นนะรูปก็คือรูปเกิดดับความรู้สึกว่าเราอันนี้ก็เกิดดับแต่เราไปยึดว่ามันจริงพอยึดว่ามันจริงมันก็เอาหลายๆอันนี้ประกอบกันขึ้นนะ อันที่สามอัตตนิรูปังเห็นรูปในตนอันที่สี่รูปัตมิงอัตตานังเห็นตนในรูปนะอัตตาในรูปอัตตาตัวตนเราทุกคนคงมีครบนะนะฉะนั้นเวลามีครบไม่ต้องไปแยกก็ได้มันเต็มไปหมดอนะ่ะทุกอันมีอะไรนิดอะไรหน่อยไปเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยโปรตัวตนขึ้นมาเพียบนะเห็นเก้าอี้ตัวเดียวเท่านั้นแหละโปรตัวเราขึ้นมาเพียบเลยสําคัญในอดีตอย่างโน้นอย่างนี้ แคเห็นเก้าอี้นี่เก้าเอียงเป็นรูปเห็นว่ามีตัวเราในอันนี้สวมบทบาทอันนี้อยู่เราตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้โอ้เราเรียนจบอย่างนี้เลยได้ตำแหน่งนี้โน่นยึดไปสัญญาเอาสัญญามาอดีตมัาจำก็เป็นครั้งครันะเราเห็นเก้าอี้นี้ก็ดับไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราสวมบทบาทนี้มีตำแหน่งนี้ก็เกิดดับไปอ๋อเราได้บทบาทนี้เพราะว่ามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เคยทําอะไรมาอันนี้ก็คิดกันใหม่เกิดและดับ แต่เรานี่รวมเรื่องเดียวกันไปอย่างนี้นะทีนี้รูปแล้วต่อไปก็เวทนานะก็มีในนี้ด้วยนะท่านไม่ต้องจดก็ได้แต่ว่าในนี้ก็จะอยู่ในย่อหน้าที่สามนะครับบางอันก็จะปีญยาเอาไว้ก็หมายถึงว่าเป็นที่รู้กันแล้วนในย่อหน้าที่สามเวทนังอัตโตนี้ก็เป็นฝ่ายความรู้สึกรู้สึกสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเฉยๆบ้างสุขทางกายบ้างทุกทางกายบ้าง เห็นเวทนาว่าเป็นตัวเราความเจ็บนั้นเป็นตัวเราเลยนะเวทนาวันตังอาัตานังเรามีเวทนาเรามีความเจ็บมีเราตัวหนึ่งและเราตัวนี้มันมีความเจ็บนะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปเราก็จะรู้สึกขึ้นมาเป็นครั้งครั้งมันจะอยู่ในพวกนี้อยู่ในวนเวียนอยู่ในพวกนี้แต่ว่าคำบาลีมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ถ้าดูในตัวท่านแล้วก็จะเห็นชัชัดทีเดียวนะ อัตหนิเวทนานเห็นเวทนาในตนนะเห็นเวทนาในตัวเราเห็นเวทนาในจิตยึดจิตว่าเป็นตัวเราโอ้ตอนนี้สบายสบายอยู่ในตัวเราเราสบายนะันะ่วันนี้ก็ไปยึดเวทนาอยู่ยึดความสงบอยู่อะไรก็ว่างกันไปนะแล้วแต่นะครับเวทนายะอัตานานังเห็นตนในเวทนาเห็นตัวเราในเวทนานะ เวลาคนเจ็บปวดจะตายเงียเขาจะรู้สึกว่าตัวเราจะตายไปด้วยพร้อมกัความเจ็บนั่นแหละอะไรเงี้ยเห็นตัวเราไปอยู่ในเวทนาเลยอย่างนี้ก็มีแล้วแต่นียเวลาเจ็บขึ้นมาก็ตัวเขาขอกความเจ็บนี้เป็นตัวเดียวกันเลยวเวทนาตายไปด้วยเขาก็จะตายไปด้วยเลยตนอยู่ในเวทนาเลยต่อไปก็สัญญาทำนองเดียวกันนะ สัญญาความจําได้ความหมายรู้ความนึกได้เรื่องเก่าๆก็ดีหรือว่าความหมายรู้ชื่อต่างๆบัญญัติต่างๆทั้งโลกก็ดีแขนขาหญิงชายสิ่งของต่างๆพวกนี้เขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกันสัญญาก็มีประโยชน์ถ้าใช้ถูกแต่ว่าก็มีโทษเยอะถ้าเราไปหลงติดติดข้องมันอุดมคติพิธีกรรมทัศนคติความเชื่ออะไรพวกนี้ อันนี้เป็นสัญญาทั้งหมดนะครับแม้แต่สิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกมันก็เป็นแค่สัญญานะสัญญามันเป็นของไม่เที่ยงตอนนี้พูดถึงตัวสัญญาแต่ว่าตัวสัญญานี้เป็นตัวจําเรื่องต่างๆได้เป็นตัวไปหมายหมายรู้เรื่องต่างๆสัญญาอั ต, ตโตเห็นสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตน ตัวสัญญานี้เป็นตัวเป็นตนถ้าไม่มีสัญญาไม่มีความจําได้ไม่มีหมายรูปก็ไม่มีตัวมีตัวแล้วนะพอตื่นขึ้นมาเอาจําได้เอามีตัวเราแล้วเ <c oughs> นี่ยเราอาศัยก็ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเอ้าเห็นเพดานก็เรายังอยู่ฮนะ่แค่เนี้ก็เป็นตัวเราแหละเห็นไหมตอนนอนหลับมีตัวเราไหมไม่มีสัญญามันไม่ทํางานนะตาไปมองเห็นรูปพอไปมองเห็นรูปมันก็จําอันเก่าๆที่เขาขุดเต็มเรามีตําแหน่งโน้นตาแหน่งนี้อะไรไปทั่วเลยแต่ เดี๋ยวเราจะไปทํางานเรามีตําแหน่งโน้นตาแหน่งนี้ไม่รู้จะไปถึงที่ทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็จําไปทั่วแหละเนี่ยมันจําได้นึกได้ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขับรถไปเพื่อทํางานทั้งทั้งที่ที่ที่เป็นจริงอยู่ตอนนั้นก็คือขับรถเท่านั้นเองแต่ที่มันนึกได้อะไรได้มันใส่ตัวตนเข้ามาอีกหลากหลายเลยเกิดเราต้องจัดงานจัดการงานนั้นจัดการงานนี้ไม่รู้จะได้จัดการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมรณะมันจะจัดการเราก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เราก็คิดไปด้วยแหละ <N> นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไรนะมันเกิดตามเหตุขึ้มันเป็นขั้นพลังเรานึกถึงที่ทํางานมันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมานึกถึงคนนั้นก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่สิ่งผิดแต่สิ่งผิดคือเราไปยึดว่ามันจริงนะสิ่งผิดคือเราไปยึดว่ามันจริงถ้าเราไม่ยึดว่ามันจริงนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเรามีสามีเราก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไปยึดว่ามันจริงเนี่ยมันผิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยสามีมันไม่เที่ยงขึ้นมา มันเปลี่ยนใจไปมีคนอื่นขึ้นมาเพราะว่าไหนมันก็เปลี่ยนมาหาเราแล้วใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ได้ทีนี้เพราะมันเปลี่ยนมาอย่างนี้เราจะเป็นไงเราก็ทุกเองดิเราคิดว่ามันจริงแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยความผิดพลาดมันอยู่ที่การเห็นว่ามันจริงเรามีตําแหน่งนั้นคิดว่ามีตําแหน่งนั้นทําหน้าที่นั้นมันก็ไม่ผิดอะไรธรรมดาแต่ว่าที่มันผิดคือเราไปยึดว่ามันจริงยึดความคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นคลั้งครั้งยึด สิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาเป็นคั้งครั้งว่ามันจริงพอยึดว่ามันจริงถ้าเราเสียตําแหน่งไปเป็นไงเสร็จนะเก้าอี้นั้นม่ะเรามีตําแหน่งนั้นก็มีจริงเป็นครั้งครั้งนะ่ะแล้วก็ดับไปถ้าเรายึดว่ามันจริงแท้ตลอดเราเสียเก้าอี้นี้ไปก็คงจะเศร้าไปหลายวันน่ะอย่างเงี้แต่จริงๆแล้วเก้าอี้นั้นเราได้มาเพราะความไม่เที่ยงตั้งไหนมันก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงโดยการที่เราต้องเสื่อมไปหรือว่ามันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ฉะนั้นถ้ามันเที่ยงตลอดเราคงไม่ได้อะไรไม่เจริญอะไรฉะนั้นไม่เที่ยงแหละมันถึงเจริญงอกงามบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงดีแล้วมันถึงมีการปรับปรุงได้ถ้าบังคับได้มันก็ไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วมันบังคับไม่ได้มันถึงปรับปรุงได้มันไม่เที่ยงมันถึงเปลี่ยนแปลงได้เจริญงอกงามได้อย่างนี้นะอย่างเรามีชื่อเสียงอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันเที่ยงเราคงไม่มีชื่อเสียงอะไรขึ้นมาใช่ไหม อย่นี้นะสักหน่อยไม่เที่ยงมันเอาคืนที่นะี่ยโดนแฉหงายท้องไปเลยก็มีอย่างนี้ฉะนั้นไอท้ที่ที่เรามีปัญหาเกิดโศกกับปริเทวธรรมมาเพราะคิดว่ามันจริงแต่ถ้าเราไม่หลงยึดไม่หลงผิดมันว่ามันจริงมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไปไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะอันนี้สัญญานะก็เหมือนกับอันอื่นๆสัญญาวันตำอัตนามเห็น ตนมีสัญญาตนมีความจำได้ดีจนตนมีความคิดนึกได้ดีอะไรก็ว่ากันไปบางคนแค่เรื่องสัญญาก็เอามาเป็นตัวเป็นตนตจริงจังเช่นเรียนธรรมะโอ้เรามีความจำดีเราจำได้เกิดมานะขึ้นมาอีกเราอธิบายได้เยอะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เรามีสัญญามีสัญญาเรื่องนี้ดีนะ ก็เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราจำธรรมะได้เยอะมันก็ดีแล้วแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันเป็นเป็นไปตามเหตุเกิดแล้วดับนะมันเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้อัตตานิสัญญาเห็นสัญญาในตนสัญญายะอัตนานเห็นตนในสัญญาในความจำเก่าๆ ก, ก็มีตัวตนหนึ่งด้วยเราดูรูปเก่าๆ เ, เป็นครอยู่ในรูปเก่าๆนั้น เป็นเราไะเราตอนเด็กๆนะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เขาพูดกันใหญ่นะโหสนุกสนานคือเขาไม่มีเรื่องอะไรจะพูดอะ่ะกลัวไม่มีตัวตอนเขาก็เอารูปเก่ามาดูแล้วก็ไปพูดนี่ตอนเก่านะฉันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้รู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้มันก็แค่มองเห็นรูปมองเห็นรูปแล้วมันก็จําใส่ความจําเข้าไปว่านี่สมัยนั้นสมัยนี้แล้วก็มีเราในความจํานั้นเข้ามาจริงๆมันมีไหมมันก็มีแต่แผ่นกระดาษนะ แล้วก็มีความคิดที่เกิดขึ้นเปนึงครั้งมีความรู้สึกเป็นเราเกิดขึ้นไปนึงครั้งแล้วก็ดับไปแต่เรานี้จริงจังะทั้งแผ่นกระดาษทั้งตัวเราทั้งความนึกคิดอะไรจริงหมดอย่างนี้นะอันนี้เกี่ยวกับสัญญาก็ชีวิตเราธรรมดานี่นะทั้งหมดเนี่ยนะไม่ต้องไปหาไกลหรอกฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไปหาธรรมะที่อื่นนั้นคงจะตายเปล่าแล้วนะถ้าเราไม่เข้าใจว่าแท้จริงธรรมะนี่ก็คือ ตัวเราเองนี่แหละที่เราคิดเราทําเราพูดอยู่ทุกวันนี่แหละเป็นธรรมะที่มันไปทําอย่างนั้นเมื่อเข้าใจเท่านี้มันก็คิดได้เท่านี้พูดได้เท่านี้ทําได้เท่านี้ถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนคําพูดเข้าใจเพิ่มขึ้นมันก็ถูกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นใช้ชีวิตมันก็ถูกถูกมันก็ทุกน้อยลงถ้ามันไม่รู้มันเข้าใจผิดมันก็ใช้ชีวิตผิดใช้ชีวิตผิดมันก็เครียด ก็วิตกกังวลก็วนขวาหาวิธีรักษาอะไรก็ว่าไปนะก็ชีวิตเราธรรมดานี่แหละการเรื่องธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะแต่ที่จริงเป็นเรื่องตัวเราเองนะเป็นประโยชน์สำหรับเราเองมากันเจะได้ไม่ทุกข์มากต่อไปสังขารความคิดนึกการปรุงแต่งรู้ว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นจิตดีบ้างจิตไม่ดีบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้าง เป็นคนมีเมตตาบ้างขี้โกรธบ้างชอบอย่างนั้นบ้างไม่ชอบอย่างนี้บ้างอันนี้พวกสังขารสังขารเรอตัตโตบางคนว่ายึดสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนความคิดดีขึ้นมาปับ๊บอูเราเราคิดดีเราเป็นคนดีเนี่ยแค่ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะเขาก็อู้เราเข้าท่ายนะคิดดีเราคิดดีดีดี ด, ดีบางทีคิดไม่ดีขึ้นมาเป็นไง โอโ้เราไม่นาออ่าเลยทาไมเป็นคนอย่างนี้เราเองแล้วเราไม่ดีนี่ก็แค่สังขารเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเห็นสังขารเป็นตัวเป็นตนสังขารวันตังอัตตานางเห็นตนมีสังขารเห็นตนตัวเรานี้คนหนึ่งตัวเราคนนี้มีกุศลตัวเราคนนี้มีศีลตัวเราคนนี้มีนั่นมีนี่ตัวเราคนนี้แล้วแต่เรายึดบางคนก็ยึดจิตปกติจะยึดจิตว่าเป็นตัวเรา แท้ที่จริงทั้งความรู้สึกว่าเราดีเราไม่ดีทั้งตัวรู้ความรู้สึกนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับสังขารวันตังอัตตานังนะเห็นตนมีสังขารอัตหนิสังขาเรเลยเห็นสังขารในตนเห็นสังขารมันอยู่ในตนเห็นกุศลอกุศลนี่ว่าอ๋อมันอยู่ในเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ย สังขารเรสุอัตานังเห็นตนในสังขารมีตนไปอยู่ในสังขาร น, นั้นนะกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราทําน่ะไอ้กรรมนั้นน่ะเราอยู่ในนั้นเลยจะไปตามนั้นแหละ <c oughs> ทําดีเราก็อยู่ในนั้นแหละไปสวรรค์เลยอย่างเนี้ยทําไม่ดีเราก็อยู่ในนั้นแหละไปนรกเลยเี้มัย น, ย, น ย, ยึดอยด่ไหมบางคนก็ให้กรรมมันมีอำนาจเหนือเราอันนี้พอเขาไปยึดกรรมการกระทํานั้นเป็นตัวเป็นตนคือยึดสังขาร เอาตนไปใส่ไว้เนนั้นแต่ที่จริงเรามีอำนาจนะครับมันได้เพราะกรรมมันเป็นของไม่เิด่มันอยู่ภายใต้กฎตรายักษ์ทำดีแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่เอามายึดก็ได้ทำไม่ดีแล้วก็แล้วไปเราไม่เอามายึดก็ได้ไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้แต่เราระวังเพิ่มขึ้นก็ได้อย่างนี้นะแต่บางคนเขาก็เอาตัวตนไปใส่ไว้ในนนะอย่างนี้กลายเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไปบางคนก็ ยึดดีตัวตนอยู่กับกรรมนั้นกรรมนี้วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาทํากรรมดีวนเวียนอันนี้เพราะความยึดนะอันนี้ต่อไปวิญญาณนี่ทุกคนก็ยึดกันมากเลยก็และวิญญาณคือตัวรู้วิญญาณังอั ต, ตโตยึดรู้ฤทธิวิญญาณเนี่ยโดยความเป็นตัวเรา<ม>เราเห็นเรานะเ ห, นเห็นเห็นนี่เป็นเรานะเห็นนะเราเห็นเราได้ยิน เราคิดเห็นวิญญาณโดยความเป็นตัวเราวิญญาณณวันตังวิญญาณอั ต, ตานาเห็นตนมีวิญญาณนะมีเราตัวหนึง่งเรานี่มีตามีตาไปเห็นวิญญาณวิญญาณนั้นใหม่ยึดวิญญาณอันเก่า <c ười> เคยเป็นไหอ ม, มีเราด้วยแล้วเรานี่มีตาด้วยมีตาไปเห็นด้วย มีหลายชั้นนะอันนี้วิญญาณังวิญญาณในตนมีวิญญาณในตนนี้ในตัวเรานี้มีวิญญาณจริงจริงวิญญาณมันก็มีแต่มันเป็นของเกิดดับแต่มีวิญญาณแบบเขานี่แบบเห็นผิดคือมีเป็นของเที่ยงอยู่ไปทั่วไปที่โน่นที่นี่ทั่วไปบางคนก็วิญญาณออกจากร่างอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขา <c oughs> ตนนี่ตนเขานี่คือรูปอย่างนี้นะพอจบชาตินี้แล้วก็วิญญาณก็ลอยไปโน่นลอยไปนี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนนะเขาเห็นผิดนี่มันเยอะไปหมดอะนะวิญญาณสมิงอัตตานังเห็นตนในวิญญาณตนกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันตนอยู่ในวิญญาณนะยามอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิยี่สิบคือความเห็นผิดคิดว่า กายคือรูปกับนามขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้เป็นของถาวรเป็นของมั่นคงอยู่ได้ด้วยตนเองอันนี้มียี่สิบอย่างซึ่งปุถุชนที่ไม่ได้สดับเขาจะมีครบเลยครับมีครบทั้งหมดนี่แหละเราทั้งหลายก็คงจะพอมองออกนะอย่างี้พอมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็จะเกิด ของเราเกิดคนอื่นเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาหลากหลายเหลือเกินฉะนั้นยิ่งคนไหนที่เห็นผิดเกี่ยวกับตัวเราเยอะคนนั้นก็จะมีของที่เนื่องด้วยเราเยอะไปหมดด้วยพอเยอะไปเขาก็จะทุกข์เยอะทุกข์เยอะมากขึ้นไปเรืเเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะลำพังเฉพาะเนี่ยของตัวเองนี่ก็โศกกบบระดิเทวะเยอะแยะแล้วทีนี้ทุกต่างเหล่านั้นก็เกิดมากมายเป็นขบวนตาม การเข้าใจผิดการยึดมั่นถือมั่นที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นโดยส่วนใหญ่เรามีอันไหนก็ทุกข์เพราะอันนั้นอันนั้นเพราะว่าเราเข้าใจผิดในตัวเราก่อนพอเข้าใจผิดในตัวเราแล้วอันอื่นอื่นมาเกี่ยวเนื่องกับตัวเรามันยิงผิดหมดอย่างนี้ดันั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็แทนที่จะได้รับประโยชน์จากมันก็เป็นทุกข์ไปกับมันมีวัตถุสิ่งของมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะจนเยอะกว่าห้องเต้แล้ว แต่ว่าก็ยังทุกอยู่ดีอย่างเงี้ยนะก็หมายถึงว่าเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดในตัวเราก่อนพออันอื่นๆข้างน อ, นอกมันก็ผิดหมดนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มาศึกษาเรียนรู้ที่ตัวเราเองให้มันเห็นอันนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้ง ก็คอยสังเกตดูไปนะในชีวิตเราก็จะเห็นอยู่แล้วเราไม่ได้โกรธทั้งวันนี่นะโกรธเกิดขึ้นแ ป, ป๊บเดียวแล้วก็ดับไปไม่ได้คิดดีทั้งวันคิดดีเกิดขึ้นแ ป, ป๊บเดียวแล้วก็ดับไปไม่ได้โลภทั้งวันโลภเกิดขึ้นแ ป, ป๊บเดียวแล้วก็ดับไปรู้สึกเราสำคัญ <c oughs> ก็ไม่นานแ ป, ป๊บเดียวก็ดับไปนะรู้สึกเราผิดเราถูกเนี่ยเราก็คอยดูไปสังเกตไปมันก็จะเห็นนะการที่จะช่วยให้เราเกิดการสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือ เราต้องมีสติสัปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอมีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นอ่พึ่งอย่าเอาใจเราไปไว้กับเรื่องอื่นนะให้ดูตัวเองเป็นหลักแบบนี้จะทำให้มองเห็นสิ่งเหล่า น, นี้นะครับทีนี้ในย่อหน้าที่สองต่อไปนะหลังจากพูดเรื่องรูปสมิงวาอัตานาน เห็นตนในรูปแล้วต่อมารลองค์ก็ตรัสต่อไปว่าตัสะตังรูปังวิปริณามติัญญถาจากโมติเมื่อรูปนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเมื่อเราคิดว่ารูปมันเป็นตัวเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรนะเมื่อรูปนั้นมันแปรปรวนไปตัสะรูปะวิปริณามัญถาปลวาภาวา อุปปัชชันติโสกปริเดวทุกโทมนัสสุปายาสาพวกโสกปริเทวทุกโธมนัสอุปายาสาก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปของรู้เมื่อเรายึดรูปว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันเข้าใจผิดก็คิดว่ามันเป็นของเพียงเป็นของมั่นคงเป็นของบังคับได้พอมันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปก็จะเกิด โซกัปร re ิเทวะขึ้นมาเห็นไหมเราเข้าใจผิดในอันไหนเมื่อสิ่งนั้นแปรปลีนเป็นอย่างอื่นไปเราก็จะเศร้าเพราะมันเห็นไหมที่เราโดนบีบขันอยู่เพราะอะไรเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งๆที่เราได้อะไรมาได้มาเพราะความเปลี่ยนแปลงแต่ดันไปกลัวความเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่เรียกว่าโง่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแนะก็ได้มาในได้มาเพราะความเปลี่ยนแปลงแต่ดันไปกลัวความเปลี่ยนแปลงไม่รู้ยังไงก็ไม่ ดัง <mister ius> นั้นถ้าอยากจะบรรลุก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็ไม่บรรลุต่อไปเรื่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยแล้วจะไปกลัวทำไมความเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันถ <ule> <Neigh>. ึงบรรลุได้ตอนนี้เรายังไม่บรรลุไม่บรรลุไม่เที่ยงเราก็จะบรรลุได้ตอนนี้มันยังไม่รู้ไม่รู้มันไม่เที่ยงต่อไปเราก็รู้ได้แล้วจะไปกลัวความเปลี่ยนแปลงทำไมแต่เรานี่มันเข้าใจผิดแล้วจะมันจะอยากได้ธรรมะอยากได้ความจริงถ้ายังเห็นผิดอยู่อย่างนี้มันจะไปเอาอะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรหรอกอย่างนี้่ะนะ จะไปเอานู่นเอานี่ไปเอาให้มันเที่ยงแล้วจะบอกบนว่าอู้ปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรก็มันจะได้อะไรขึ้นมาเพราอยากให้มันเที่ยงเนี่ยนะอยากให้มันเที่ยงมันก็ไม่บรรลุต่อไปเรื่อยๆเพราะคุณอยากให้มันเที่ยงคุณต้องอยู่กับความไม่เที่ยงนะคุณต้องไม่ให้มันเที่ยงคุณถึงจะบรรลุก็ตอนนี้มันไม่บรรลุใช่ไหมล่ะมันไม่เที่ยงดับไปไม่บรรลุดับไปบรรลุก็จะเกิดขึ้นนะอย่างนี้ ไม่ใช่จะเอาแต่ความรู้จะให้มันเที่ยงมันไม่ต้องต้องรู้บ้างต้องไม่รู้บ้างมันไม่เที่ยงนะไม่รู้มันก็ไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็รู้ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะเหมือนสงสัยเราก็ไม่ใช่สงสัยแล้วอยากจะเอาแต่ความเข้าใจเราก็ต้องดูว่าสงสัยมันไม่เที่ยงสงสัยมันไม่เที่ยงดับไปแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นได้เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะนี่มันก็เป็นของธรรมดาทั่วไปไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะ แต่เรานี้ชอบทําให้มันลึกลับดูดีเนาะดูดีแล้วก็เป็นทุกข์นะอย่างนี้เมื่อเราเยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อสิ่งนั้นแปรปลีนไปก็จะเกิดโสกปริเทวทุกโธมนัสอุปายาสะทั้งที่ทั้งๆ้ที่สิ่งเหล่านั้นนะเกิดขึ้นแล้วก็แปรปลีนไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาทุกข์ของสังขารนี่มันเป็นอย่างนั้นของมันแต่เรานี้ไปจับ ทุกของสังขาร น, นั้นมาเป็นทุกของตนเองตัวที่ไปจับนี้คือความไม่รู้ไม่รู้แล้วก็เข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นะฉะนั้นทุกของสังขารก็เป็นอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เป็นธรรมดาของมันแหละหน้าที่ของเราคือมาศึกษาให้รู้มันตาที่เป็นจริงแล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกก็จบแล้วเท่านั้นนะ ง่ายไหมเขาชอบทําแต่เรื่องอยากๆนะอ อ, อย่างที่ยกตัวอย่างอนะ่ะนะเรียกลูกมันยากจะตายอยู่แล้ว ม, มีแฟนคนหนึ่งก็ยากจะตายแต่ก็ยังอยากมีเอาละอยากมีก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยากก็ให้ยอมรับไปนะแต่เรื่องง่ายๆเรื่องสบายๆนี้เราบอกว่ามันยากมากธรรมะเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานนี่มันยากเหลือเกิน มันยากตรงไหนลราก็บอกว่าให้นั่งสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินไปเดินมาก็รู้มันยากตรงไหนเนี่ยไม่ได้ให้ไปแบกเหล็กอะไรที่ไหนมีแต่ก응ิเลสตอนนั้นแหละมันพูดนะคือมันอยากอยู่นานๆนั่นเองทำแล้วก็สบายด้วยนะทําแล้วก็ละเจตนาไม่ดี ละเจตนาไม่ดีมันก็ดีแล้วนี่ก็เจตนาไม่ดีมันทําให้เราเป็นทุกข์เจตนาจะไปว่าคนอื่นจะเอาชนะคนอื่นนี่มันเหนื่อยขนาดไหนแล้วเนี่ยมันเหนื่อยนะนอนก็นอนไม่หลับเครียดกันอะไรกันเราก็เห็นมันเราก็ละมันไปแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ได้แค่ละมันเท่านั้นเองมันสบายกว่าเดิมเยอะคือไม่ต้องทําอะไรนะถ้าจะไปทําอะไรเพื่อมันเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมหาวิธีโน้มวิธีนี้หลากหลายแค่ละมันแล้วก็ไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆก็ได้ สบายนะแล้วอันไหนมันสบายกว่าท่านวะต้องธรรมะดูใช่ไหมมันตึงสบายกว่าแล้วทําไมไปบอกว่าธรรมะมันยากกิเลสรู้จักไหมเคยเห็นหน้ากิเลสไหม <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เออเกือบแล้วครัเกือบ <c oughs> ของดีๆของสบายๆเป็นชอบชอบของไม่สบายชอบของวุ่นวายนะ พอมาถึงย่อหน้าที่สก็เหมือนกันนี่นะคือได้สรุปเอาไว้แล้วในนี้ก็คือคนไหนที่เขาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นต้ น, ตวนตวพวกนี้เมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแปรรวนไปก็จะเกิดโสกะปริเทวะติดตามมาบางคนแค่ไปยึดสัญญาว่าโอ้ตอนนี้ความจําเราดีพอสักหน่อยจําไม่ได้ เรื่องที่ไม่อยากจํามันจําเรื่องที่อยากจํามันไม่จําแค่นี้ก็ทุกแล้วอันนี้เพราะไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเที่ยงแต่ที่จริงมันบังคับไม่ได้บางเรื่องเราอยากจํามันไม่จําบางเรื่องไม่อยากจํามันจํามันเรื่องธรรมด า, าพวกก็ไปยึดสังขารต้องการคิดให้มันดีตลอดต้องการให้จิตสงบตลอดแบบนี้เมื่อมันแปรปรวนไปก็ต้องทุกข์นะนะอย่างนี้ นี่เป็นความของย่อหน้าที่สนะครับอันนี้นะนี้พระองค์ตรัส บ, บอกว่าที่โศกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสเกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมะแบบที่จะทำให้คนเป็นอริยะพอไม่เข้าใจไม่รู้มันก็ไปยึด ยึดกายยึดใจยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของคงทนโดยความเป็นของบังคับบัญชาเอาตามใจชอบได้พอมันยึดอย่างนั้นพอสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปไม่ได้ดังใจเป็นอย่างอื่นไปจากที่ตัวเองคิดมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นเท่านั้นเองแม้ต้นตอนมันอยู่ตรงนี้แต่เวลาเราละเนี่เราไม่ได้ละความโศความปริเทวะอะไร เราละความเห็นผิดความเข้าใจผิดเมื่อละความเข้าใจผิดได้สิ่งต่างๆมันก็จะถูกขึ้นมาเองนะครับนี่นะตอนนี้ถึงย่อหน้าที่สี่แล้วต่อไปก็ฝ่ายตรงกันข้ามบ้างถ้าเรารู้มันตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขไม่ต้องมีโศกะปริเทวาแหละก็จะเป็นคนถึงนิพพานนะเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะ แต่เราชอบทำเรื่องอยากมันก็เลยเห็นไอ้เรื่องไม่ยากนี่เป็นเรื่องอยากไปแล้วออนะลำบากหน่อยแก้ความเห็นในยากลำบากหน่อยต่อไปย่อหน้าที่สี่อ่านพร้อมกันนะครับรูปัสตเววะพิกเวอานิจจตังวิจิตวาวิปรินามัวิราคัง น, นิงโรธัง ปุเวเจวะรูปังเอตระหิจสัปบารูปังอนิจจังลุกขังวิปรินามธรรมมันติเอวะเมตังยถาภูตังสัมปัญญะปัสโตเยโสกปริเดวะ ดุขะโตมานุสุภายาสาเตปิยันติเตสังปะนานาปริตตสติอปริตตสังสุขังวิหารติสุขาวิหารีพิภุตะดังคานิพุโตติวุจติ ต่อไปก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อกี้ฝ่ายกุตุชนที่ไม่ได้สดับเขาเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนต่อมาเป็นอีกฝ่ายพระองค์ตรัสว่ารูปัสตเววะพิคเวอณิจตังวิทิตวาวิปรินามังวิราคังนิโรธังดูก่อนพิสุทธ์ั้งหลายส่วนอีกฝ่ายหนึ่งส่วนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนี้ เขาได้ยินได้ฟังทำแล้วก็ได้รู้ความจริงส่วนอีกฝ่ายหนึ่งวิทิตวาได้รู้แล้วอันนี้จะต่างซึ่งความเป็นของไม่เที่ยงรูปัสของรูปอ่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ความไม่เที่ยงของรูปไม่ใช่แค่เห็นรูปนะเห็นความไม่เที่ยงของรูปถ้าเห็นรูปอย่างเดียวนี้มันละกิเลสไม่ได้เห็นรูปถ้ารูปที่ดีเราก็ชอบรูปไม่ดีเราก็ชังแต่เห็นความไม่เที่ยงของรูป อันนี้จะละกิเลสได้นะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาอย่างนี้จะละกิเลสได้ถ้าเห็นสุขก็ไปชอบสุขอยู่ดีเห็นทุกข์ก็ไปชอบไปไม่ชอบทุกข์อยู่ดีฉะนั้นต้องเห็นความไม่เที่ยงของสุขเห็นความไม่เที่ยงของทุกข์นะเห็นความแปลกรวนของทุกสิ่งทุกอย่างดูก่อนพิสุดทั้งหลายส่วนบุคคลที่รู้ความไม่เที่ยงของรูป อันนี้จะต่างแล้วความไม่เที่ยงวิปาารินามนังเห็นความแปรปรวนไปเห็นความแปรปรวนไปของทุกสิ่งทุกอย่างนะวิราคังเห็นความคลายไปนิโรธังเห็นความดับไปทุกสิก่งทุกอย่างมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเกิดดับไปต้องเห็นอย่างนีนะ้ดีไม่ดีก็เหมือนกันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างก็เหมือนกัน มีแต่ของแปลงปลอนมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วเขาก็จะรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าปุบเวเจวะรูปังเอตระหิจะสับบางรูปังอานิจจังลุกขังวิปรินนามะธรรมังอิติรูปในอดีตก็ตามในบัด น, นี้ก็ตามปุบเพเจวะรูปงังแปลว่ารูปในอดีตเอตระหิจัรูปในบัด น, นี้ก็ตามสับบางรูปงังรูปทุกๆชนิด ทุกๆอย่างเลยนะที่เกิดขึ้นนั้นอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงลุกขังเป็นของไม่คงทนวิปรินามธรรมังเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็โดยทํานองเดียวกันให้เห็นว่ารูปทุกๆชนิดเลยเวทนาทุกๆชนิดเลยไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะเฉยๆสัญญาทุกๆชนิดเลยไม่ว่าจะจาดีจาไม่ดี จำได้จำไม่ได้ทุกๆชนิดเลยสังขารทุกๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นคิดดีคิดไม่ดีกุศลอกุศลเมตตาหรือว่าความโกรธทุกทุกชนิดเลยจิตทุกๆชนิดจิตเห็นจิตได้ยินจิตคิดนึกรู้สึกต่างเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงทนเป็นทุกขังเป็นของแปรรวนไปวิปริณามะธรรมังเป็นของ แปรรูปไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับเอวามีตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะปัสตโตเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นอันอื่นหรอกนะบางคนอู้เห็นแล้วแต่เห็นมันนิ่งเลยเที่ยงอันนี้ไม่จริงต้องเห็นว่าเป็นอันจิงจังมันตึงตามความเป็นจริงไม่ใช่อู้สงบดีจังเลยเห็น เห็นอะไรก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยอันนั้นมันเที่ยงไปเขาต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่คนก็ไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นคนก็ไม่เที่ยงรู้สึกมีตัวเราก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวเราก็ไม่เที่ยงจะรู้สึกว่าได้บรรลุก็ได้แต่รู้สึกว่าได้บรรลุก็ไม่เที่ยงสักหน่อยก็มีกิเลสเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าอู้ผมไม่มีกิเลสเลยดีจริงๆอะไรเงี้ยนะพวกนี้ต้องเอาไม้หน้าสามมาตีสัก ปั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนบ้างนะมันไม่มีตอนไม่กระทบอารมณ์เท่านั้นแหละนะมันไม่มีเกิดเพราะเหตุเห็นไหมทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปก็เราไม่กระทบอารมณ์ไปกดข่มจิตเอาไว้มันก็ไม่เกิดกิเลสพอปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นหรือว่าไปกระทบอารมณ์แรงๆเข้ามันก็เกิดขึ้นมาเองอ่ะมันจะมีอะไรมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่คงทน มีแต่ของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาของเที่ยงนะฝึกให้เห็นว่าทุกๆชนิดนั้นอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังไม่คงทนวิรปริณามธรรมมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ได้ฝึกเอาความไม่แปรปรวนนะฝึกให้เห็นความแปรปรวนยิ่งเห็นไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนอย่างนีน้ฉะนั้นพวกมนุษย์นี้จึงดีที่สุดแล้วในการปฏิบัติธรรม เือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่ามันแปรปรวนเร็วอารมณ์กระทบเยอะมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันแปรปรวนเร็วถ้าอย่างเป็นเทวดาส่วนใหญ่ก็อารมณ์ดีมากกระทบดีมันก็อยู่นานนานๆจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีทีหนึง่งมันก็จะเห็นอะไรลักชา้ายิ่งเป็นพรหมยิ่งแล้วใหญ่สงบนิ่งอยู่งั้นอ่ะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็ชา้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะราชาสาวกทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ก็มนุษย์นี่มันดีกว่า เห็นเร็วกว่าชัดกว่าอย่างนี้อาจารย์เราทั้งหลายก็ให้ใช้จิตมนุษย์นี่แหละศึกษาเรียนรู้จะได้เห็นตามที่เป็นจริงบางคนเขาไม่ชอบนะเขาชอบแปลงแปลงจิตให้มันดีซะก่อนเขาไว้เงี้ยถ้าดีมันก็เที่ยงไปแล้วสิมันต้องเห็นว่าดีบ้างไม่ดีบ้างดีมันก็ไม่เที่ยงไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเห็นตามความเป็นจริง ยถาภูตังแปลว่าตามความเป็นจริงสำ ม, มัปปัญญายะด้วยปัญญาอชอบปัญญาณถูกต้องคําว่าชอบหรือว่าถูกต้องในบาลีนี่หมายถึงว่าทําให้พ้นทุกข์ได้จริงนะคําว่าถูกต้องนี่นะสำ ม, มาสำ ม, มาเนี่ยมันไม่เหมือนถูกในภาษาโลกเราทั่วไปถูกในภาษาโลกเรานี้มันไม่แน่ไม่นอนมันกำควมถ้าถูกใจเราอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันถูกแล้วไม่ถูกใจเรามันก็ผิด เข้ากับพวกเราถูกไม่เข้ากับพวกเราก็ผิดไปอย่างเงี้ยแบบนี้มันไม่ใช่สัมมาถ้าสัมมานี่คือมันทําให้พ้นทุกข์ได้นะแต่เดิมทุกข์เยอะต่อมาก็ทุกข์น้อยถ้าเรียนนังถือหนังสือดูการเรียนหนังสือก็ได้ถ้าเรียนแบบสัมมาเรียนไปมันก็สบายขึ้นนะไม่ใช่เรียนไปหนักหัวขึ้นทุกวันทุกวันมึนตึก๊กอย่างเงี้ยอันนี้มันเรียนแบบมิจฉาแล้วถึงจะได้อะไรมามันก็ผิดอยู่ดีเพราะว่ามันทุกข ถ้ามันถูกมันจะทุกข์ทำไมอ่ะมันต้องผิดแหละมันถึงทุกขนะ์นี่มันง่ายๆนิดเดียวเองถ้าเราไปทำแล้วมันทุกข์มันเครียดเนี่ยมันแสดงว่ามันผิดแล้วไม่ว่าไปทําอะไรมาผิดหมดเราไม่ได้รู้ว่าไปทําอะไรมาเราดูว่าทําผิดหรือทําถูกอย่างนี้นะต้องด้วยปัญญาอันชอบนะทําให้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์แรงๆเนี่ยสิ่งท่านคงไม่อยากได้อยู่แล้วโสกะปริเทวะทุกโทมนัตเนี่ยคงไม่อยากได้อยู่แล้ว พ้นจากพวกนี้ไปพ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดขึ้นนะครับต้องเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเยโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาพวกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสาอันใดที่มีอยู่เตปะฮียันติโสกะปริเตวะเป็นต้นนั้นก็จะถูกละได้ ฉะนั้นเราไม่ต้องไปละโสกะปริเทวานะให้เราเห็นตามที่มันเป็นจริงพอเห็นตามที่มันเป็นจริงพวกโสกกะปริเทวาเป็นต้นที่มันมีอยู่มันก็จะถูกละไปเองโดยอัตโนมัติละได้โดยการรู้ความจริงของมันความจริงว่ามันมาได้ยังไงมาเพราะว่าเราเห็นผิดพอเราเลิกเห็นผิดมันก็จะถูกละไปเองนะอย่เี้ยไม่ต้องไปละมันไม่ต้องไปละปัญหา ละความเข้าใจผิดในปัญหาที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นมนันน่นนะละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นนะครับฉะนั้นพอละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นได้โสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาสะเป็นต้นนะที่มีอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกละได้เตสังปหานาเพราะละโสกปริเทวทุกโทมนัตอุปายาสเหล่านั้นได้ นักปริตสติบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ไม่หวาดสะดุง้งพอละก็จะไม่หวาดสะดุง้งไม่หวาดกลัวเราทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอยู่ทุกวันนี้เป็นไงกลัวหวาดสะดุง้งกลัวจะเสียคนนั้นกลัวจะเสียคนนี้กลัวลูกจะตายกลัวจะเสียตาแหน่งกลัวเงินจะหมดกลัวจะเป็นโรคกลัว สารพัดอย่างอันนี้เรียกว่ามันสะดุ้งเพราะว่าเราไปต้องการกอะไรกับชีวิตเราต้องการนี่หมายถึงคนอนาถานคนขาดแคลนคนขาดแคลนจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขเราไปต้องการกับชีวิตเนะี่ยชีวิตมันสมบูรณ์พออยู่แล้วเราไม่รู้ไม่รู้มันนะว่าเออมันธรรมดาของมันแล้วเนี่ยไม่มีความสุขกับมันพอไมมีความสุขกับมันเราก็ต้องการอยากได้นั่นได้นี่ต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นต้องการโอ้อะไรจีปาถักมันก็สะดุ้งสิ ของไม่เที่ยงนะอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ต้องสะดุ้งของบังคับไม่ได้อยากจะบังคับมันมันก็ต้องสะดุ้งแต่เมื่อเรารู้มันแล้วนะละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นพวกโสกปริเทวทุกตัวมรัะอุปายาสะก็จะถูกละไปตัวเราก็ไม่สะดุ้งอยู่อย่างสบายนะมีความสุขนะเคยรู้สึกอยู่อย่างสบายไหม แต่เดินเดินไปนี่หมอนี่มันจะฉกกระเป๋าเราบอกว่าน่ะมันคิดไปทั่วแหละเอ้ยคนนี้จะมาเอาประโยชน์กับเราหอเปล่าเนี่ยมันพูดพูดอย่างเงี้ยเนี่ยพูดดีเนี่ยมันจะหาเรื่องเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะตีหัวเราทีหลังเปล่าเนี่มันสะดุ้งไปหมดนะครบคนนั้นครับคนนี้มันก็มีความสะดุ้งในใจว่าเออพูดเรื่องความลับกับเขาก็จะแฉเราบอกว่าคนนี้อะไรทำนองนี้ยน่ะอันนี้เพราะว่าเรายึดว่ามีตัวเราพอยึดว่ามีตัวเรามันก็เข้าใจผิดก็เกิด ความหวาดสะดุ้งติดตามมานะฮะนในนี้พวกนี้พวกมีความคาดหวังมีความมุ่งหวังอะไรเยอะก็สะดุ้งเยอะตามที่ตัวเองหวังนะครับทีนี้พอละมันได้นะละความเข้าใจผิดละความยึดมั่นถือมั่นได้ก็จะไม่หวาดสะดุ้งณปนะริษษตัสสติแปลว่าไม่หวาดสะดุ้งอ่ะปริตัสสังสุขขังวิหารติเมื่อไม่สะดุ้งก็จะอยู่อย่างเป็นสุข อยู่อย่างสบายเป็นอิสระปลอดโปรง่งเคยอยู่อย่างสบายไหมอยู่อย่างปลอดโปร่งเคยเคยไหมถ้าเราสุขเราคงรู้จักแต่สุขเวทนาใช่ไหมแต่นี้อยู่อย่างเป็นสุขสุขขังสุขอย่างสบายปลอดโปรง่งโล่งอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วไม่ต้องมีอะไรมาแน่นในหัวแน่นในอกต่อไปอยู่อย่างเป็นสุขนี่ถ้ามีสติสัมปชัญญะดีนะก็จะพอรู้จัก ถึงการอยู่อย่างเป็นสุขเวลามีความเศร้าเกิดขึ้นให้เราดูลงไปในความเศร้านั้นจะเห็นความจริงของความเศร้าว่ามันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วมันก็ดับไปเมื่อสิ่งนั้นดับไปเราเห็นไตรลักษณ์ของมันแลเห็นอนิจจังของมันแล้วเห็นความไม่เที่ยงของความเศร้าใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอ่อย่างนี้ถ้าเราเหงาเราก็ดูความเหงาลงไปดูลงไปพอเห็นความไม่เที่ยงของความเหงาใจมันก็จะ ยอมรับความจริงได้พอยอมรับความจริงได้มันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแบบสุขแบบเป็นอิสระไม่ต้องเอาอะไรมาลองอันนี้เรียกว่าเมื่อไม่สะดุ้งก็จะอยู่อย่างเป็นสุขมีความสบายมีความโลง่งมีความปลอดโปรง่งก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดโปร่งนะทีนี้นะครับสุขาวิหารีพิกขุตดังพระนิพุตโตติพุ จ, จติภิกษุ ผู้ที่อยู่อย่างเป็นสุขอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ถึงตัทังขงนิพพานได้นิพพานเนี่ยง่ายๆได้ได้แล้ว เ, เรียกว่าตทาัทังคานิพพุโตคือได้นิพพานเป็นขณะขณะได้สัมผัสรสนิพพานว่าเอ้ยความอิสระจากอารมณ์ต่างๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยเราเศร้าเราดูลงไปเห็นความเศร้าไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงของความเศร้ามันกลับอิสระจากมันได้เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปหาที่ปรึกษาอะไรให้ยุ่งยากนะสบายมากเราเหงาเราก็ดูลงไปเลยโอ้มันเหงาอยู่กับมันไปพอรู้จักมันแล้วเอ้ยมันไม่เที่ยงเราก็จะอิสระจากมันเราสงสัยเราก็ดูลงไปเลยเอ้ยนี่มันสงสัยดูลงไปเราเศร้าเราหงอยเหงาเรารู้สึกดีรู้สึกไม่ดีก็ดูลงไปก็จะเห็น ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นความจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาที่มองเห็นไตรลักษณ์นี่นะมันก็จะละความเศร้าโศก ค, ความเสียใจหรือว่าความบีบคั้นจากอารมณ์นั้นๆได้เมื่อละความบีบคั้นจากอารมณ์นั้นๆได้ใจก็จะไม่สะดุ้งหวาดกลัวก็จะอยู่อย่างเป็นสุขผู้ที่อยู่อย่างเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าได้นิพพานแล้วเรียกว่าตัฐทางคางนิพพาน ฉะนั้นนิพพานนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทาให้มีขึ้นทุกๆวันให้เยอะๆขึ้นให้มีให้มีประสบการณ์ถึงมันบ่อยๆเรามีสามีนี่ก็มีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมมีคนชมก็มีประสบการณ์มาแล้วคนด่าก็มีประสบการณ์มาแล้วแต่การอิสระจากคนชมและคนด่าเนี่ยไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมาทาอันนี้แค่อิสระจากคนชมคนด่าเนี่ย อิสระจากความเศร้าความไม่เศร้าความสุขความทุกข์อันนี้ยทําให้มันเกิดขึ้นอันนี้แหละคื อ, อ น, นิพพานความอิสระความปลอดโปรง่งความโล่งใจทําไมมันโล่งใจ เ, เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายรักษามันแล้วมันดีก็ดีไปเราก็สบายแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปรักษามันแต่เดิมนั้นเวลาเราดีปั๊บอู้หูดีๆเนาะหาวิธีรักษามันอันนี้เราก็เหนื่อยเราไม่อิสระจากมันแะ้นเราสุขแล้วก็สุขไปแต่ว่า เราก็ไม่ควนขวาย ห, หาวิธีรักษามีเงินเราก็มีไปเราก็ใช้เงินตามสมควรไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําบุญอะไรของเราไปแต่เราไม่ควนขวาย ห, หาวิธีรักษาหรือว่าวขวนฝวายให้ได้มาเยอะๆจนตัวเองเป็นทุกข์เอางมันก็อิสระกับการมีเงิ น, นเรามีสามีเราก็เคยมีมาแล้วใช่ไหมประสบการณ์กับการมีสามีมีมาแล้วทีนี้ประสบการณ์จากการอิสระจากสามี เขาจะดีจะไม่ดีเราก็สบายมีความสุขอันนี้เรียกว่าสุขวิหารีอยู่อย่างปลอดโปร่งสบายนะมีก็ดีไม่มีก็ยังไม่เป็นไรก็ยังหาต่อไป <c ười> เป็นต้นนะเราอิสร ะ, ะนะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่หลายคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ดีอยู่หลายคนก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็คืออิสระนะั่นเอง เราไม่ยึดติดที่ใดที่หนึ่งแต่ถ้าเรายึดติดอ้หหลายคนมันลำคานแล้วเกินไปอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวเซ็งแล้วก็นมาหลายคนดีกว่ามันวนอยู่อย่างนี้แนหะเพราะเราไม่อิสระจากมันนะซึ่งจะอิสระจากมันได้นะต้องเห็นอนิจจังของมันนะเห็นความไม่เที่ยงของมันในทีน่นี้พูดถึงเรื่องรูปก็เห็นความไม่เที่ยงของรูป ถ้าพูดถึงเวทนาก็เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงของสัญญาสังขารความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็เห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่การเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเห็นความไม่คงทนเห็นความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยปัญญาชอบเพราะว่าประสบการณ์ทั้งหลายนั้นเรามีมาอยู่แล้วสุขก็ <ambiente> เคยมีมาแล้วทุกคนเคยมีมาแล้วแต่ว่าที่ยังไม่มีคือความอิสระจากมันเพราะว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันไม่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันเป็นของไม่คงทนไม่เห็นว่ามันเป็นของแปรปรวนฉะนั้นต่อไปแทนที่เราจะสุขแล้วเราไปดูสิ่งที่ทำให้เราเกิดสุขสุขแล้วเราก็ดูตัวเองว่านี่มันสุขนี่มันชอบสุขอยู่สักหนมันก็รวนไปเนี่ยเราไม่ดูข้างนอกคนที่ทาให้เรามีความสุข เราไม่ดูเขาเรารู้จากเขาอยู่แล้วรู้จนชินแล้วอันนั้นต่อมาเราก็มาดูตัวเองก็จะเห็นความจริงนะครับอย่างนี้พวกความบีบคั้นในใจความวิตกกั ง, งวลต่างๆโสกะปริเทวะเป็นต้นก็จะถูกละได้ก็จะอยู่อย่างไม่หวาดเสดุง้งแล้วก็คนที่มีความสุขอย่างนี้แหละเรียกว่าตทาัทธังคานิพุโต เป็นผู้ที่ถึงนิพพานแล้วในขณะนั้นนั้นนิพพานในช่วงขณะนั้นนิพพานในเหตุนั้นๆั้นั น, นนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ไกลหรอกนะอยู่ในการที่เราเห็นอันนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของบางสิ่งบางอย่างชั้นถ้าเรามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นให้ดูลงไปพอเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์ใจนั้นใจจะเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมาจะเกิดความเป็นอิสระจากมันขึ้นมาเป็นครั้ง เขาเรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานตัดทาขั้นนิพพุโตแล้วก็ฝึกอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆการมีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิดีได้เห็นความจริงอย่างนี้ใจก็จะปลอดโปร่งขึ้นทวันทุกวันทุกวั น, ก, วนนะก็จะได้เป็นประสบการณ์ชนิดใหม่ที่เราสามารถที่จะหาได้กับทุกอารมณ์เลยประสบการณ์นิพพานนี้สามารถหาได้กับทุกอารมณ์ไม่เหมือนกับพวกเวทนาถ้าพวกเวทนานี้ต้องเสียงชมจะมีความสุข โค้งยากเลยนี้ยากนะ ย, ย, ยากมากเลยต่อให้ให้คนชมเราทั้งโลกจึงจะเป็นสุขอย่างนี้คงจะตายเปล่าเหมือนกันนะอันนี้มันยากสุขเ ว, เวทนาชนิดนี้มันหายากแต่แบบนิพผานเนี่ยหาที่ไหนก็ได้คนชมเราก็อิสระจากคําชมเห็นว่าความชมเป็นของไม่เที่ยงคนด่าก็อิสระจากความดา่าเห็นว่าคําด่าเป็นของไม่เที่ยงสุขเราอิสระจากความสุขเห็นว่าสุขไม่เที่ยงทุกก็อิสระจากทุกเห็นว่าทุกไม่เที่ยง ดังนั้นประสบการณ์นิพพานเนี่ยหาได้ทุกที่ทุกเวลามีสามีก็ได้แต่อิสระจากสามีไม่มีก็ได้แต่อิสระจากความไม่มีนั้นเงาก็ได้แต่อิสระจากความเงาเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นเหมือนเพื่อนกันมาเจอกันเป็นครั้งครล้งมันก็ดับไปไม่ได้มีอะไรมาแล้วก็จากกันไปอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตะทางค้านิพพาน นิพพานในขณะนั้นๆนิพพานชั่วขณะชั่วขณะฉันประสบการณ์นิพพานนี้มีทุกๆุ ท, ที่ที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกและนิพพานจริงๆก็เหมือนอย่างนั้นด้วยเพียงแต่ได้ทุกอารมณ์เท่านั้นเอง น, นะบางคนก็ไปหานิพพานอยู่ในโลกโลกขาไปเถอนะนะนะพวกขาก็แสดงว่ามันไม่มี แต่ที่จริงมันมีสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เรารู้ว่าตัวเองมีเท่านั้นแหละนะธรรมะมันมีสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เรากลับมารับรู้ว่ามันมีแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วมันมีแล้วมันจึงเกิดไม่มีอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นฝนตกเพราะว่าฝนมันตกไม่เกี่ยวกับขบร้องหรืออะไรต่าง ง่ายมากมแต่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้นก็จะเอาน้วนจะเอานี่สนุกสนานกันไปนะทุกกันไปสิแต่นั้นนะของง่ายๆไม่ชอบเลยนะนี่แหละนะครับตทางพระนิพุตโตนี้ให้รู้จักนิพพานชนิดนี้ชันนิพพานหรือว่าทุกขานิโรธาความอิสระจากทุกทั้งมวล น, นี้ เป็นสัญติการธรรมคือสิ่งที่ต้องทําให้เป็นประสบการณ์สิ่งที่ต้องทําให้แจ้งขึ้นมาในใจว่าเอ อ, เ อ, อประสบการณ์ความอิสระจากโลกนี่มันเป็นอย่างนี้นะเราต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไปรู้โลกเรียนนั่นเรียนนี่แล้วไปยึดเพิ่มขึ้นยึดเพิ่มขึ้นไม่ใช่งนั้นเราเรียนรู้เพื่อที่จะเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกเข้าใจผิดแล้วก็เป็นอิสระนะคนที่สอนเราให้เป็นอิสระ จากเขาเนี่ยเขาเรียกศาสดาอยพระพุทธเจ้านีแต่เรานี่คงจะยึดพระพุทธเจ้าแหลกรานเลยนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพึ่งตนเองจะได้ไม่ต้องพึ่งท่านอีก <c> น <oughs> ั่นแหละเขาเรียกศาสนาแต่เราเนี่ยึดศาสดาซะหละท่านบอกว่าอย่ามายึดท่านแม้แต่เจ้าชายจีวรเนี่ยไม่เห็นธรรมะา ก, ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลแต่เรานี่ยกอดพระพุทธเจ้าแหลกเหมือนกันทำหนังเองนั่ น, น อันนี้นะเรียกว่าตัดทางค่นิพพานฉะนั้นนิพพานมีหลายอันนะมีหลายอย่างนิพพานเวลาเรียกตามชื่อแล้วมีห้าชื่อด้วย นิพพาน5้หอย่างในพระสูตรนี้พูดถึงนิพพานที่เราจะรู้จักก่อนในขณะที่เริ่มประพฤติปฏิบัตนะิถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อรู้ทุกสมุทัยมันก็จะไม่มีคือรู้กายรู้ใจรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะไม่เกิดความหลงผิดไม่เกิดความยึดมั่นหรือมัน่นมันก็จะแจ้งนิพพานขึ้น ใจมันก็จะรับรู้ถึงความเป็นอิสระจากอารมณ์ได้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าตทางขัน้นนิพพานนิพพานในขณะนั้นๆจะเป็นพักๆเป็นช่วงๆที่เรามีสติสัมปชัญญะได้เกิดปัญญาเป็นครั้งๆอ่าอันที่สองวิขำพนะนิพพานนิพพานนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกพัฒนาขึ้นมาจากตทางคนนิพพานนั่นเองแต่ว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆระยะเวลาของความมี ความสุขความปลอดโปร่งของใจก็จะนานขึ้นนานนเกิดจากการมีปัญญาเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นที่เรามาะึฤตปฏิบัติก็มีอยู่สองอันเนี่ก็จะรู้จักนิพพานฉะนั้นในการปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกตั้งแต่ต้นจะรู้จักนิพพานตั้งแต่ต้นเลยถ้าใครมาบอกว่าปฏิบัติไปแล้วนู่นคุณจะเจอนิพพานอยู่ฟากฟ้าโน่นหรือว่าอีกหลายปีหลายชาติข้างหน้านะั่ะอันนี้มันไม่ได้เรื่องไปเอาทําไมอย่างนั้นะ ไปเอาทําไมสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีมันต้องเอาสิ่งที่เรามีไปเดินไปไหนเดินไปโน่นเรือนไปนี่ไปทั่วนะตั๋บอกว่าเชื้เาเราคุณต้องทําอย่างแข็งขันนะคุณจะถึงนิพพานโน่นอยู่ที่โน่นอะไรก็ว่าไปอีกนานเลยบารมีอะไรเนี่มันไม่ใช่หรอกที่มันไม่ถึงเพราะมันปฏิบัติผิดทาไมนะที่มันไม่เห็นนิพพานเพราะมันปฏิบัติผิดเท่านั้นนะ ถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยแค่เข้าใจถูกแค่ได้ดูได้เข้าใจเนี่ยมันก็เห็นแล้วได้รู้จักถึงความเป็นอิสระจากความคิดตนเองแต่เดิมเออเรายึดความเห็นตัวเองว่าเราถูกเราอะไรต่างๆต่อมาเออมันคิดเอารู้ว่าไ อ, อ้มันแค่ความคิดเราก็อิสระจากมันแหละอย่างนี้เรียกว่าตัดทางค่านิพนานเห็นธรรมชาติของความคิดเห็นธรรมชาติของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ฝึกฝนต่อไปอีกเรื่อยๆนะ นี่ถ้าทำท่านิพพานวิคัมพนันิพพานเมื่อสมบูรณ์อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นตัดกิเลสได้จริงความเป็นตัวเป็นตนที่เคยมีก็จะไม่เกิดอีกเลยนะความเข้าใจผิดที่เคยมีก็จะไม่เกิดอีกเลย แ, ลยลยแต่ตอนแรกมันก็จะแทงขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็ตามสมควรเราก็ดูมันไปศึกษามันไปกลายเป็นอันที่สามนะสมุดเฉทนิพพานอันนี้อริยมรรคมรรคจิตเกิดกับ อะไรยังมากเกิดกับมัคจิตก็จะทำลายกิเลสได้เป็นสมุทเฉดเมื่อทำลายกิเลสได้เป็นสมุทเฉดคนนั้นก็จะจิตใจเบาสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นอีกปลอดหนึ่งกิเลสต่างๆที่เคยมีเคยเกิดขึ้นมันก็เลิกไปแล้วแต่อย่างพระโสดาบันก็ที่เด็ดขาดก็สังกายติจิวิจิกิจฉาสีลพัตปลามาสพวกนี้ก็จะหายไปเลยนะที่ตัดกิเลสได้เป็นสมุทเฉดเรียกว่า สมุทเฉทนิพานผลของสมุทเฉทนิพานเกิดกับผ ล, ลจิตคือปฏิปัสสธินิพานทําให้บุคคลนั้นสงบระงับขึ้นไปกว่าเดิมกิเลสลดลงกว่าเดิมแต่ถ้าพวกปุถุชนทั้งหลายนะถ้าพูดแบบไม่เกรงใจกันคือทำทุกอย่างด้วยกิเลสนะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่าเอ้ยฉันทำํำกุศลอย่างโน้นอย่างนี้คือคือเราพูดเอาใจกันเฉยๆเราอย่างนั้นนะถ้าเราอยากถูกหลอกก็เชิญให้คนอื่นหลอกได้เลย ไม่งั้นเราคงบรรลุไปตั้งนานแล้วถ้าเรากุศลเยอะขนาดนั้นแต่เรานี่พากันหลอกกันว่าทําแบบนี้นะเป็นกุศลเยอะอย่างงน้อย่างนี้นคือถ้ากุศลเยอะนะเราไม่ต้องทุกข์หรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสแสวงหาว่าสิ่งไหนเป็นกุศลกุศลอย่างสูงสุดคืออรหัตธรรมมัชมันทําให้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อหมดกิเลสมันก็หมดทุกข์ไม่ใช่คนอื่นบอกว่าโอ้คนได้บุญเยอะได้กุศลเยอะล้เกินแต่เราทุกข์อยู่อย่างนี้มันหลอกนะ ฉะนั้นเราต้องดูตัวเองเป็นหลักนะนี่ประสิปัะสัทธินิพพานเกิดกับผลได้เป็นอริยบุคคลบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่มีกิเลสน้อยลงนะครับส่วนนิสรณนิพานพระนิพพานที่เป็นเครื่องออกจากสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นพระนิพพานแท้ๆที่เป็นโลกุตระเป็นของหนึ่งโลกนะเป็นวิสังขารเป็นอารมณ์ของจิตนะ แต่ตอนแรกเรายังไม่ถึงนิสารณนิพพานก็จะรู้จักนิพพานอันต้นแต่ทางฆะบ้างวิคัมพะณะบ้างแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่เห็นอันนี้เลยแสดงว่าปฏิบัติผิดมันไม่มีความสุขขึ้นมาเลยไม่มีความรู้สึกปลอดโปรงเลยไม่รู้จักเลยว่าเอ๊อิสระมันไปยังไงไม่มีประสบการณ์ถึงนิพพานเลยอันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดเราทั้งหลายก็จะรู้จักด้วยตัวเองอยู่แล้วนะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตนเองอยู่แล้วไม่ใช่ของหลอกๆ ก, กันหรือว่าไม่ใช่ของคิดนึกเอาไม่ใช่ของพูดให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นเธอต้องเชื่อชันนะไม่เชื่อฉันตกนรกไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นของพิสูจน์ได้นะครับอันนี้ท่านเน้นที่การพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองเริ่มด้วยการยอมรับสิ่งที่เรามีแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อย ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้อันนี้เรียกว่านิพพานหาในพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงนิพพานชนิดหนึ่งคือตัดทางฆานิพพานภิสษุที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขมีความสบายปลอดโปรง่งเป็นอิสระอย่างนี้แหละเรียกว่าตัดทางฆานิพพานสุขาวิหารีพิภูตตัดทางฆานิพุโตติวุจจินะครับนี้ก็เป็นการเห็นความไม่เที่ยงของรูป ในหน้าที่สองก็เป็นการเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณก็จะเหมือนกันนะพอเห็นความไม่เที่ยงแล้วเกิดปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้พวกความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆมันก็จะหายไปใจก็จะเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆนั่นแหละพอเป็นอิสระ ใจก็ปลอดโปรง่งเบาสบายเป็นอิสระเป็นครั้งๆก็เรียกว่าถึงต่ทางคันนิพพานนะอย่างเงี้ยเช่ไหมเรียนสูตรเดียวถึงนิพพานแนละ้วไปหาไกลนะอย่าไปหาไกลหมดเวลาแนละ้วลวันละวั